นับเป็นหมื่นๆนะไม่สมหรังได้มาระวังที่องค์สมเด็จพระพระเมียไม่เชื่อเวทโยนะพระนะหกสิบองลาองค์สมเด็จพระพระเมยรยพาไปทรมานจิดอยู่ในถ้ำแห่งเดินพระเทละวางกฎิกา พระธมยามพวกขานะพวกทาสาวธัยยทรงจำพระพุทธวจนะนะนั่นนี่แหลเวลาพระธมมยามนะ่ะกังเขินนะพากันนะท่องบนสาธัยยายทรงจำพระพุทธวจนนะเสียงานะพระพุทธประทานนะ่ะกล่าวถึงคุณของพระพุทธประทานะสะท้อนไปถึงสัตว์ คังคราวมากคนะือโสดนะอาศัยในธรรมนะั่นคราวนะั้นเอาเต็นนะก็เห็นนะนั่นแะล้วย้อนหัวลงนะนั่นเะมื่อครังคราวนะั้นได้เห็นได้ฟังพระนะสวจสดนิะ์มรณนะนั่นะประสานในดวงเกีตของสัตว์นะ เกดของสัตว์ได้รับสัมผัสธรรมเทศนาบริในรลางนั้นเ mm hmm. ปตเกิดคนนั้นหลงนะหลงนะวางเท้าลงไปแหมนอนกองกันนะพเลิกพิลเลอทีเดยวส่วนพระน้าหสินั้นไม่รู้จากคติของสัตว์ว่า เ, าเกิดอุพติเหตุยังไงสราบไม่ได้ นวางนั้นไปทูลองสมเด็จพระพเมีภาคก็ม้ข้าองค์อยู่เช่นนั้นเช่นนั้นทองบดใช้ยายความประพฤติสมนาธรรมเช่นนั้นานะทําไมข้างคราวมันตายพ่ออย่างไงผาานนู้เที่ยวข้านะนว่างน่านองสมเด็จพระพมีภาคเธอนะเป็นบุตรชนนะแล้วในญาตของเธอนะไม่มือนะ ต, ตาเทีบหูเทีบใจเทีบไม่มือ ไม่รู้จักกติของสัตว์นะสัตว์เหล่านั้นน่ยยินได้พวกเธอสาธยายทรงจำพระพุทธวจนะนะสัตว์ได้รับสัมผัสนะ่ะธรรมเทศนาบรีนะ เ, เกิดเปือตีห้าวางลงไปแล้วตายนะพวกนั้นไปเกิดสวรรค์นะไหนล่ะทำให้สัตว์เกิดสวรรค์ได้เถอะนะสัตว์จะไม่ได้บำเพ็ญทานรักษาสีลภาวนานะ เปตามเมียงเปตินับธรรมเทชนนวางพระสาธยายนะแปลงตัวนะเป็นสาเดศนะแปลงตัวนะเป็นแทบเกิดบรุมดานเกิดบนสวรรค์ได้เนะเนี่ยในเนี่ศาสนวาทคํามสอนของพระพุทริเจ้านะม่ปฏิหารมากมากนะนั่นในยาเนย น, นะขอยต่างอกต่างใจฟังแพทยบรีนะ ลูกศกษย์จันมันปีพระจำนวนน่เป็นพันๆ น, นะคณะอุบาสกบาบิกาก่มมากไม่มีใครท่านจันมันท่านที่สาวไม่สั่งสอนลูกศิษย์ใช่ทยยุกแผนใช่ทุกแผนโดยเดยนไม่ใช่ในภาคิสานน้วเขาหัวเลาะกันตายฮะใช่ประเทศไทยเขาจะหัวเลาะกันนะ อายอายเหรไม่มีใครใช้เอิกยังเดิมนะท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นฟังสอนนกศิร็จนะจะกลาวเรื่องเล็กเรื่องเด็กนะคืนให้ท่านอาจารย์มั่นฟังแม้ท่านดุเถอะไม่ควรเลยนะ ไอ้เล็ดเด็ดนไม่ควรเนี่ยไม่ควรกล่าวท่านดนะ่ะท่านจะในสอนในการทําอาสวะให้สิ้นนะ่ะมาพิสดท่านกันมันเรื่องลิดเรื่องลิดเรื่องเด็ดนะ่ะไม่ได้เพื่ อ, อยกตัวอย่างเวังที่อง์สมเด็ชพระพุทธภาพไหม เมืองเวชรีนะญาติโยมทั้งหลายล่องทุกข์ให้องคล่องทุกข์ตอบพระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์อุปยาธให้สาวกสแสดงเล็ินะคนใจยินดีหลายนะยอมใส่ในศาสนามากนะนั้นตอนนั้นองค์สมเด็จพระพเมือภาคตอบญาติโ ย, ยมว่า ทำให้สา ว, าวกนะเพราะเขาได้โอกาศได้ทุกองค์นันลมเป็นลระเทศของเลสัยทั้งหากนะแนนสถ า, าคด้ยวยลูกศิษย์สาวกของสถ า, าคตไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ของเลสัยนะแนโดยสัยชอบเหาะเหาเทุาองบอกว่าไม่ได้ไม่ <c oughs> หากว่าใช่สาวกเป็นเช่นนั้นนะไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ทศกัณนะลูกศิษย์ของฤาษีนะนั่นสาญสมบัติเนี่ยเป็นชานของฤาษีนะเป็นโลกีนะอย่างสมเณรนะสามณรคนหนึ่งลูกศิษย์ท่านท่านพระมหา ก, ก็จะปเทิละนะ แนนคนนั้นน่าเจริญชานสมาธิได้รูประชานสีอารมณ์ฌานสีเหาะเหินเดินได้จ้าพระกัตริยเอามาตรนะไปส่งพระกษัตรเปาเหาะไปแล้วท่นี้นะเวลาพระกษัตรปาออกจากบินบาบออกจากบ้านมาแล้วนั่นแนนก็ขอไปรับบาตรนะ พระกระสปานะห้ามนะอย่านะ่ะเธอนะนะไม่ควรใช้ฤทธิ์เธอจะเกิดดุบัดนะหาว่าเธอใช้ฤทธิ์ บ, บ่อยๆนะแ่นไม่วันเดิมวันเดิมพระกระสปัดจำวัดแนนชกชนนะชกชนนะเหาะเล่นเนี่ยพอไปทางโน้นบางทเวบนั่นทเวปนี้บางพอไป ข้ามสะอันเลยสะนะ่ะเยงนะรองแฟง น, นะนัเพราะมากเก็บดอก บ, บัวในในเย็นเสียงนะอยู่ในบรรยากาศได้เย็นเสียงไฟเลาะอน่กหนัดนะว่าจาของเยงนนะน่ะชาเนตกนะนั่ น, น, นตกนะชาตกไปเอาหเยงนนะน่ะเป็นเมีย เอาหญิงเป็นเบียร์แล้วเท่นี่นะหญิงบังคับมากแล้วกันเนี้ยหาเงินไม่ทันกลับเป็นโจร น, น ะ, ะเป็นโจร น, นะเขาจับได้เขาใส่ช่อใส่กวนในหลักเขาจะถูกประหารนะรน ะ, ะ ว, วางนั้นนะพระกระสปะนะคิดถึงแหละสามเณร น, น ะ, ะเธอยังมีชีวิตอยู่ เธอจะได้สำเร็จอกสารนะถนะ้ากษัตริเดินสวนทางไปบอกให้แน่น่พิจนณาเขาบอกให้ <c oughs> มานบคนนั่นพิจนณาแ น, ะนะ่น่เสียงน่ะเขาเรียกว่าเสียงสึกไปแล้วนะ <c oughs> พิจนณาเหาะได้นะเหาะได้เ <c oughs> หาะได้เสนหนอะ แม่ น, น่นพัดแพยขนมจอนมาบวชเอกน่ะเป็นพระอาหารหันนะเนี่ยนี่นะเรื่องเล็ดเรื่องเ็ดเด็ดนะท่านอาจารย์มันหามเนาะใครจะพูดเรื่องเหาะเรื่องอะไรอธิจารย์ไม่ท่านไปฟังท่านดุเมวันเดิมโยบันผือนายนายทานายจันทร์ครูถามทานายจานทรมันว่าพวกเด็อ พวกโยเคนะเขาหอได้นะครับแม้ท่านดุท่านอาจารย์กูน ะ, นะไม่ควรนะสาวกไม่ควรไม่ควรสนใจเรื่องเลสนะไม่ควรสนใ จ, นนใจทำตัวนะให้เส้นเกล็นดนะ่ะเนสํำคัญมากทีสดุดมากทีสดนะุดฮะเป็นยอดยอดศาสนานะ เป็นยอดโล ก, กรัละนะนันลนฤเนี่ยไม่สำคัญพระรหัรคือนศบท่านใช่เล็เนีท่านมีอริยสัจบังคับแม่จิตไม่กำเริบนะแม่แม่ยังไม่สำเร็หรหัสนะนั่นยังกําหนัดมีความร้องเพลงของหญิงเก็บดอกบัวอยู่ในครั้งนั้นเขยาเนาะสารตกชานตก <c oughs> <c oughs> พระกาชาปะนะยานะแดนนะยานะายานะนะไม่ฟังอวันนึิมนะพระกชาชาปะเข้าจําวัดนอนแดงมันเหาะเล่นดีนเลยไปถวิบนั่นไปถวีบนี่ทีนะอ้าวบนันไดสะนงดอกบัวนะเยื่อรองแพลงฮะไพ่เลาะมากฮะเก็บดอกบัวนะนั่น แน่นเขออยบนากาศกำนัดเสียงนั่นน่ะชานตกชานตกนะ <laughs> พระองค์เดินไปเมืองเวสลีเลยเวสลนะยมมาลองทุกต่อพระองค์ให้สาวกนะเหาะดีจะได้ทรมานคนไม่ได้ไม่ได้ หากว่าอดุยาท่ายสาวกเหรเช่นนั้นเน่มันเป็นลูกเศร ษ, ษ์ของเหล่าสีปราชนะไม่ใช่ลูกเศร ษ, ษ์ของสถาคตนะแม่มันเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมใช่มล่ะวันเดนลาพวกญาติยอมทั้งหลายเข้าในประเทศไทยเพิ่งได้นะ เป็นเกตของศาสนาให้ขนขวายให้มากให้มาก <c oughs> เงามาข่าขายนะเกิ <c oughs> ดเป็นมนุษย์เนี่ยเลอะที่สดเลอะที่สดนะ <c oughs> อย่าเย็บย่ำชาติของเราให้ตกต่ำอบายพูมทั้งสี่ค <c oughs> วรนะควนนนะค ว, น, นะวนเลิกถึงคนปรัชนากลาย อย่าเห่เขิมเรื่องราบยืนยดมากนะักให้เริมตัวให้เลิมพระพุทธประทานระสค์นะในครั้งพุทธกาลนั้นแม้ค่าขายก็ดีน่นนางสขาบิณิกาเศรษฐีเป็นพวกขายใหญ่แม่ขาใหญ่ในสมัยนั้นท่านไม่ละสินหะพรนีจะสินนะนกูชนกมบทสิบนะ่ะเมีอยู่ในจิตนี่ และอิปการนะภรยาพิมิสันทาวภรยาเธอนะเธอนะนั้นว่าการผ่านพระนครกรุงราชคือหาพระคนครสถานในกวงใหญ่น้ําพระทัยขาาองมองไม่ละเส้นหาไม่ละกูศอกรรมบทสิบนะว่าการผ่านพระนครในครั้งนั้นในละสําคัญมากที่สดนะ ยังเหอะเหมมากนะไอ้เรื่องแับเร่งยศนะหาขนไปไม่ได้นะได้ในมนุษย์สลกรคนะเช่นเป็นขุนเป็นหลวงเป็นพระเป็นภริยานะนั่นะหากว่าตายไปแล้วหาขนนะเชิญนั่นไปไม่ได้นั่ต้องวางในโลกนะ น, ะนะั่นเขาประดับโั่คราวนะคล้ายๆก็บ ข, ขนนะเขาประดับขนชั่คราวนะ น, ะนะั่นนี่แหละข <c oughs> ันไดก่อนเลยนะ อยาอยาไปเทงคนพระพุทธประธานมะสงนะให้แฝงอยู่ในอะไรบททั้งเสยเราจะทำงานการประการใดขีดเขียนนะประการดม้เป็นกรรมกรนะหาขนประการใดอย่าไปิ้งพุทธอนนะพุทธอพุทธอเนยนะมันคล้ายๆกับเกลือผสมอาหารนะมีรสนะเอเด็ดอร่อยนะนั่น นี่แหะพุทธพรทบทเป็นของขลังมากของขลังมากองสมแดดพระภเมิภาพกัดธรรมจักรแกทรมานนะพวกพระเจ้าคีหานะว่าจากออกจากพระอดพระองค์นะทันใดนะั้นะมันทำไม่ขึ้นไปถึงอารมณมโนมนนนะ่ะน่น ไม่ไปหานักหนานะท่านใดนะันนะมันลงไปถึงมหาวิเกนโลกใหญ่นะนั่นนี่แหละพุทธอพุทธอนะคนที่ได้เป็นพุทธอเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องสร้างบา ร, รมีใหญ่ใหญ่มากที่สุดมันมีสามการความปารธนาเป็นพระดโภมนั่นหนึ่งแม้ลึกดึกดังบานตั้งหลายสมขายนั่น ยังไม่ออกปากนะออกปากนะขัวอายอายเทวดาถ้าก็ไม่สมประสงอายเทวดานะนะนัดในตอนเดิมสมัยนดิมออกอเชื่อที่จะปรารถนาเป็นพระโพธิพรมเอกแม่นั่นพิลึอกอีกการใหญ่ตั้งหลายกลับหลายการมารัฐพยากรเอกแม่พิลึกนะนั่นอย่างาพระพุทธเจ้าของเรารัฐพยากรนะ พระเจ้าพุทธมัททีประกอบในสมัยนั้นนะอืในสมัยนั้นยังสีสงขายนะนะฤาษีคนนี้นะจะได้กัดเป็นพระพุทธเจ้าสักโคดมนั่นแน่อท้เพราะยังไงระหว่างนั้นนพระพุทธเจ้าพาสาวกเสด็จไม่ของอันใดฤาษีนั่น จะทำคลองให้แล้วเสร็จให้พระเจ้าและพระอาหารหันผ่านเดินไปได้ฮนะมันไม่สำเร็จเน่ฤาษีนะ่นนอนทอดตัวลงไปให้พระเจ้าไต่ไปให้สาวกไต่ไปนะนะเมื่อหมดแล้วนะพระองค์รัฐพยากรพระเจ้าปทิปรกรณ์นะเนยนะฤาษีคนใดนะเธอจะได้สมความปรารถนาอีกเสียงสงขายมหากราบนะ อสงขานั่งเนะ่ในพระกายพิโลกลอยว่าหกสิบห้าโสนลอยห้าสิบห้าโสนนะนะสี่สสามโสนเป็นลอยสี่โสนเป็นพันห้าโสนเป็นหมื่นนะลอยหกสิบห้าโสนนะนะอสงไขหนึ่ง แล้วทีนีนะ้เรามานับนะสสงขายหเหลือเหลือเหลือเกินที่จะต้องนับนะนั่นะนับได้บิคนเดียวนะอืพระเชษฐบุตรนะนะเชษฐบุตคนนี้นะเชี่ยวชาญมากนะฝนตกมนาะอาทิตย์เดนะืะนละนับมานับเมล็ดเมล็ดฝนตกนะลงพื้นดินนะท่า น, ท, านท่านนับได้นะ เชี่ยวชาญมากท่านสาวกองเดนะนี่ยไม่เล็ดไม่เดดมากนะนับเม็ดฝนตกลงมาได้เท่านั้นเท่า น, นี้นะคำนวณ น, นะเน่นเวลาเราอยู่ประเทศนอกเมืองไทยนะทางราชการส่งมาเป็นโทษนะเนี่ย ไม่พร้อมทางภรรยาไม่พร้อมทางบุตรนะนั่นอย่าไปเทิ่งคุณพลัดสนักรายไม่เหมือนก็อยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยนะั่นไม่ได้ไปวัดไปวานั่นได้ฟังธรรมเทศนาวิทีอยู่นะนั่นและเมืองไทยเนะี่ยอย่าโยมละมัเพนทานะนั่นอุเทศบนกุศล น, นะทั่วไปนนัน แค่นั้นคนพนักเสกกายสุทัศนเนี่ยในเบืองไทยนะนั่น ม, มาเบืองนอกหรืออเมริกาอเมริกันนะเดี๋ยวพอมาหรือรังการนี่นั่นอจะเสบาทวันเลยก็ทั้งยากนะจ<ม>ะเข้าวัดฟังธรรมเหมือนเมืองไทยก็ทั้งยากนะนั่นแล้วไปลงจากภาษากันเสียด้วยนะนี่แคดนั้น เมพระมาโปรดนะเมกเป็นขัง้งเป็นคราวนั่นรลึกหัวใจตื่นเต้นนะนั่นแล้วหากว่าหายจากพระไปแล้วอย่าหุ่มนะนั่นกิเลสนะนั่นอย่าทําเหมือนนะเหมือนนะ่ะกานะกาจับเขาเขาผูผูเขาทองนะเกาะผูเขาทองนะกานะนั่นอ้าวขาดกาเป็นดําแน่ หากว่าการนั่นจากภูเขาทองแล้วนะน่นกลายเป็นทองคํำมัดถึงตัวเธอเลยนะนั่ น, ะนปีก็เป็นทองคำํำขาและฟันปากแล้วก็เป็นทองคำนะนั่นหากว่าการนะนั่นน่ะเป็นออกจากภูเขาทองแล้วอ้าวก็เป็นชาติกาไปเสียแล้วเดได์ใน่ะฉันไดก็ได้นะได้ยินได้ฟังปลุกใจนั่น หากว่าไมา่ไยนินได้ฟังแล้วอย่ า, ยาให้คิเลสห่มเหมือนกานะนั่นอยลึกถึงพุทโธธรรมโมชังโคอยู่นะแค่นคนหญิง <c oughs> คนหญิงนะเ <c oughs> นีน่ยเมีอท่านโธนะทหารบกนะนั่นนีน้ก็เมีอท่านทหารเรือนะนะ่คนสีนะนั่นคนหญิงนะนั่น อย่าไปเท่งพระพุทธประทานพระสงฆนะ์นะนันเมื่อท่านโทษนาะยอย่างที่กล่าวมานะกิจการงานมากประการใดนะนันอย่าไปเท่งพระพุทธประธรนพระสงฆนะ์นะนันอไม่ละพระพุทธเจานะ้าน่ะไม่เด็ดไม่ได้ชานภาพมากนะอ <c oughs> นี่ย อาตมาเขาพดบ่อยๆนะนะ่ความสนุงกวาวมาถึงแล้วผลพ่อเสียงก้าวมาถึงแล้วนะพึ่งึงเฮลทกถึงถระถาคนทคนกลัวหายนะีนะ่ยมันแย่ลงมาจากน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยกลองเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งนะนะีนะ่แล้วพระเจ้าถ้าไม่กลัวตายเนะี่ยน้ำพระทัยถึงธรรมด น, นะเนะี่เราถือท่านถึงท่านผทก ผู้วิเศษนะนะันผู้วิเศษกล่าวคือพระพูดได้เจ้านะนะันแล้วอิปการ์ดององสมเด็จพระพุมยภาพพระองคตว่า <c oughs> พุกทางแสังคัศมะไมินะแม้ใครถึงทถาคตนะเปิดอบายภูมิทั้ง4นะนันเป็นนิยตระไปเกิดบนสวรรค์เทวโลกนะนันะนี่แหละสำคัญมากนะเปลียนนะแสงดงคัศมะไม่ไม่นม่นะ กระตุกพดสมอใน ด, ด้นะแสดงคัศมะไม่ไ ม, มีมีแต่พุทธังแสดงคัศมะเนี่ยธรรมันะาางแสดงคัศมะนะ่สังฆังแสดงคัศมะเนี่ยนั่น ม, นะมีแต่คุณพระลักษณ์ไกลนะนั่นเหล่านั้นกระตุกพุทธสมอเป็นของนอกนะนอกนะนัน่นไม่อาจจะให้ถึงมรรคถึงผลได้นะนันนนะ่นในพุทธพอพุทธโธนะนั่ะ เราไม่พศ ท, ทรเราขังอยู่ในมนุษย์โลกเนี่ยเราเพิ่มใจยเยือกเย็นที่สดนี่ยนั่นหากว่าเราเปลี่ยนอัตราพาม น, นุษย์นะไปเกิดนะสวรรค์นะนั่นจะตื่นแต่นในสมบัติบนสวรรค์มากนั่นไม่ละขอให้สนใจให้มากให้มากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่น่นแล้วที่นี้นะอุมาศอุมาสิกาเมืองไทยนะเมืองไทยมต่าง กับอุบาสิาสกาธรรมะนะธรร ม, มนะน่นใช่ทดแทนทดแทนนะเมืองไทยเขาไม่ใช่ทดแทนจ ม, มพฤษโพธิ์ทองในงดวงจิตนะใ้ครั้งนะนั่นพระมังกรโตรทําให้มากแต้พธทองนะยังไม่พอใจ<ม>ทําให้ช้ำไม่ชําชนาญเพิ่มเข้าไปอีกทีนะนั่นเพื่อให้ เอ็ดในะคุ้นเคยในพดโทนะอย่าให้หลงพดทธโทนะนั่นพดทธโทรเรื่องของอวัยวะร่างกายฉังขานะมันชื่นนะมันเย็นนะนั่นมันเยือกเย็นที่สดนะนั่นระ ง, งับได้แต่พดโทนะนั่นยกตัวอย่างพ <c oughs> ระเจ้าสตตโรคนหนึ่งสันติอามาตคนแดง <c oughs> สันติอามาตนั้นนะในเมืองสวัสดีนะ <c oughs> จร น, นะ ชนแดนป่นแล้วนะพร ะ, พระเจ้าเพิเศษก็สอนให้สันติอ ม, มาวาดเป็นระงับอธิกรณ์นะอืเหตุนั้นเนะี่เธอชนะได้กลับในพระนครสวัสดีนะพร ะ, พระเจ้าพิเศษก็โถนให้เธอนี่ยนะอมเป็นกษัตริย์เจ็ดวันนั่นสันติอ ม, มาวาดเป็นกษัตริย์เจ็ดวันนั้นเนะี่ยแม่นั่นใช่เป็นเงินพระนคร น, นะ่ย ใช้เงินได้คลังมากมายเท่ยนั้นะจิ้นเบียด้วยจินเหล้าด้วยเฟรียเท่านะนั้นนั่นแล้วเอานางนางบาเรอนะไปฟ้อนในสนามกีฬานะนั่นคนดมมากนะนั่นนางนั้นต้องคัดเลือกเอานางที่ที่งามที่สดนางนั้นร้องเ พ, งพลงเพราะแดง ฟอนงามนี่ยรูปงสวยหนึ่งแม่ตกเตนถูกจังหวะหนึ่งกันสันติอมรรตถูกใจมากที่สดนะให้เตนบ่อยๆนะนธรรมดานางฟอนลำนะน่ะต้องกินอาหารน้อยที่สดกินมากไม่ได้ร่างกายไม่อ่อนนะมันไม่งามนะนั่นสันติอมรตนะให้นาง บำเละนะฟอนบ่อยๆฟอนบ่อยๆอ้าวเกิดลมปนะตาย <c oughs> เป็นลมตายนะน่นะเมื่อไปลมตายท่ า, านนะ่ะสันติอุหมาจนะมเสียใจมากที่สดนะหาที่พึ่งไม่ได้นะ่ <c oughs> จะตายพร้อมนางบำเลในครั้งนั้นะอุหม า, าทั้งหลายนะนั่นะรักษาชีวิตสันติอุห ม, มาตไว้นะ ไปให้ครูต้งหกแกนะครูต้งหกยังไม่ชีวตโยนนะครับนั้นในคณะนั้นนะนั่นไม่อมาอีกคนหนึ่งไปหาพระเจ้าเดี๋ยววางนี้พระองค์อยู่ในสวนสวนมะม่วงของกลุมมาราพัดสร้างน ะ, นะมนาพยงและสันติอมาติไปหาพระเจ้าในครั้งนั้น เวลาไปถึงพระองค์พองถามาสันติอมัมมาจะมหาทตาคบเพื่อประโยชน์ย่างไรเง้ยสันติอัมมาทูลองสําเร็จมระพมีอภาคม่นามบําเอตายพระเจ้ค่ะข้าพระองค์อยู่ในมนุษย์ไม่ได้จะตายตามนางบําเอเงี้ยตอนนั้นองสําเร็จพระพมเมภารสันติอัมมาจนะฟังนะฟังนะท่านนะนั่น นางคนเ น, นะเป็นเบลของท่านมาเดกชาติอนเออนเอกอเนกชาตินะชาก่อนนะนั่นความลองค่าหาการ น, นะนางคนเนธนะน้ำตาสันติอ ม, มาตนะสะสมไว้ได้นะนั่นยิ่งกว่าน้ำหาสมุทรทั้งสนี่ได้เอการนั่งมันไม่เที่ยงอย่างงั้นอย่างนี้นนเป็นตุกข์กันนี่จังอันตาของเขมดจะงงอนอย่างงี้นะนั่นนะนน สันติอ ม, มตะส่งกระแสจิตไปตามองค์วัดธรรมสองของพระพุทธเจ้าในสมัยนะนะั้นสันติอ ม, มตะสำเร็จอราหาันอราหารนะันนี่แหละไอ้ความทุกข์มาถึงแล้วนะ่ะอะไรแก่ไม่ได้นอกจากก็คุณของพระพุทธเจ้าโพระโพธแก่นะเนี่รลายหนึ่งนี่ลายหนึ่งดนะ้่นนาพระเจ้าสโตขาบ สมเด็จพ่อพระยาพิมิสารนะนันมา น, น <c oughs> า, านธรรมาลพ่อนะไปฟังคําเทวทัศน์นะนันขอให้พระองค์นะใหญ่เป็นกษัตริย์แทนพระยาพิมิสารในครังนั้นขอพระองค์โปรงเชทเวสสมเด็จพ่อใช่ไนันเราจะปรงเทเวสนะสมณโคดมอย่างงั้นอย่างนี้แถวเป็นโยมวัฏถากซึ่งกันแลการสนุกมากนะนัน ตอนนั้นพระจ่าเสกตโลนะแม่กุมาร ค, คนในใจร้ากาดมากฟ <c oughs> ังคำเทวทัตอ่อนะ <c oughs> นันไปขังไวขังคุกมืดไว้นะนันแล้วนี่สมเด็จมานะไปหาพ่อนะเอาพาชนะไปพ่อเสวยนะยังมีชีวิตอยู่ พระเจาสโตบอกว่าผองเราตายหร้อยังฮะยังยังไม่ตายสมเด็จแม่แต่งอาหารไปให้กินตอนนั้นห้ามไม่แต่งอาหารไปนานตายมากแล้วทำไมไม่ตายเร็วนี่เราจะได้สวยสมบัติงานอย่างนี้เทยานะั้นะออตอนนั้น สมเด็จมาพระเจ้าสัตรโรนะน่ะฉลาดมากเอาเข้าใส่วยผมไปนะไปไปยา่ยมสมเด็จพัสดาสามีนะพญาพิมสารในครั้งนั้นเวลาไปเทิงแล้วนะเอาเข้าออกจากวยผมให้พญาพิมสารเฉวยนะยังมีชีวิตอยู่ พระเจ้าสโตนะบอกว่าสมเด็จพ่อสวรรคตยังนะยังอยู่นะพ่อแม่ใเนะวลาไปนะเอาข้าวซ้อนใส่มวยผมไปถวายให้สมเด็จพ่อเสวย น, นะนั่นะห้ามนะกวดกานะนันอย่าให้กวดกาให้มากๆานะนานตายนักนะนะันะ่แม่พระเจ้าสโตคนนี้ในใจอมหิตมากนะนั่นะนะ น, น, นั่นรงลาเทวีฉลาดมากเอานะ้าเขานาะใส่นะสรงพระบาทไปนะนั่น น, นะไปเวลาไปถึงสมเด็จนะพระพัสดาแล้วนะถอดรองเท้านะเอาเข้าออกให้พยาสมิมารเสวยนะนั่นพระเจ้าสกุก็ถามว่าสมเด็จพอตาได้ยางยัง สมเด็จแม่นะนั่นเอาเข้าใส่รองเท้าไปไงห้ามนะกลัวกลานะไม่ได้นะนั่นนับตายนักแานตายนักน่น <c oughs> เราจะได้เสวยในกุณละจะคืหนะอห่านจะได้เป็นโยมอุบาตากพระเทวทัตเวลาพระเทวทัตปลงชีวิตพระพุทธเจ้าแล้วนะนั่นเธอจะได้แทนเราจะได้เป็นอุบาตแทนสมเด็จพอ พระญายพิมิสานฮะ อ, อ, อ้าวเทเนนไดนางเทวีฉลาดมากแม่ทำแฝงนะนะ่ะทาตัวนะท า, วทาตัวไปนะไปเยี่ยมพระพัสดาสามมือในมดืดนะน่ะตอนนั้นพระญายพิมิสาเหิวข้าวแม่นาเวทนานะลองหายหากันพระญายพิมิสานก็ลองหาย น, นักพัฒนาอาพันอาเทวีก็ลองหายนะนันแล้วน้าพญาพิมิสารน่าเอาปากเรือนะเรียนเรือกินนะเรือน้ําเข้าเทาทาตัวไปนะนะดันพญาพเก้าสกุลก็ถามว่าสมเด็จพ่อเป็นยังไงยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่อยู่ฮะสมเด็จแม่นะเอาแป้งทาตัวนะสมเด็จพ่อเรือกินยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ย ตอนนั้นพญาเสตโตนะครับห้เข้าไปหากันมันนานตายนักนั่นตอนนั้นองค์เทเวนะคิดถึงสมเด็จพระพัฒดาสามีนะน่ไปอยู่นอกคุกนอกคุกลองเลียกพพัฒดาสามีนะนั่นเวลาในหมอมฉันนะด้ประมาทพระ อ, องค์ด้วยกายไม่ไหจาด้วยใจก็ได้ขอพระ อ, องค์อนุญาต อย่าให้ข้าพระ อ, องค์นะมีบาปมีกรรมนะนะตอนนั้นพระยาถิงมีสาหน้าภัยให้แกราชเทเวนะ